มันดียวพอดีแค่ดูจัดตรงนี้มันเดียวกับเบาเบาใจสบายมันละความดีหายทุกข์หายยากหายมิดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหิวหายทุกข์หายยากหายลำบากลำานพุทโธเบิกบานแล้วกายทุตุตาจิตมุตุตาจิตเบากายกัเบากายมุตุตาจิตกมุตุตา เมื่อชิดอ่อนแล้วกายก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแออ่อนนิ่มนวลเหมือนกับสมรียิ่งกว่าสมรีแล้วไม่เกิดแข็งกระด้ดดางไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคนด้านไม่เป็นคนขี้เกียดไม่เป็นคนขี้ข้ามกายมันอ่อนนิ่มนวลนั่นแหลกายมันดีนั่นแหละรู้จักนะ หา น, นที่คิดประชที่นะม่อคิดสงบแล้วโลคภัยไครเจ็บมันกระสงบกิบเลสจังไรมันก็นสง บ, บมากระงับระดมดทุกข์ทั้งหลาย น, นี่ร่ะในปากในสมูทุกเห็นตัวพวกเราเนะี่ยาสตร์ใต้เวันนี้ต่อไปใจไม่ดีก็พุทโคขึ้นมาเมันที่เกียกี้ข้พุโคขึ้นมา นี่รู้จักไว้โกผีโกสามาพาพาคฟาุกคพดทธโคขึ้นมานี่รู้เออมที่เกยที่รั้นพดทธโคขึ้นมาโน่พอที่เกยทำไมล่ะไม่ดิม่ใช่ไหมล่ะไม่ดิ้นก็เขยันก้นก่อนจะไดไม่ดล้นนัะงพุทธโคแม่นั่งผู้ขาดพุทโคนี่ยทำไรเสิ็ เราเล่าเรีเรเรเยนกันจะรู้ทำอะไรกันจะรู้โลจักเนี่ยมันเพุทโธ น, นั้นนะเข้าใจต่อไปนะเป็นไงเรื่อนี้เราปวดที่สหายเนี่ยพุทโทธขายจะเป็นให้ต่อไปนะั่น <c oughs> คนว่าง่ายสอนง่ายนะบอยช้าบอยยุกยุดนะไม่นไม่ได้นะ หนูว่ายากสอนอยากไม่ได้นะอือพระเจ้าสงสอนแม้แม่เรามาทําเพื่อระงับที่เด็ดระงับจันไรระงับความโชั่วช้า ล, ลามกโดยทำบุญล้างบาปล้างบาปเนี่ยทำบุญล้างบาปยิ่ล้างด้วยน้ายําด้วยค่าจิตเราสงบนิ่งสบา ย, ยางานบาปก็หายไม่ได้ ไม่ได้รับต่อความสุขไม่ได้รับต่อความสบายเลยนะเรอล้างบาปล้างกรรมในล้างด้ว ย, น, วยน้ำาล่อยจิตต์สงบนิ่งสบายความชั่วทัว้งหลายก็ดับหมดนั่นนะพาทนงวิจักต ม, มาทาบุญทาสุขอมาไกลแสนไกลมาเสียเปล่าหนักหลังพดหลําโขเจ็บบังเอว เทศเป่าไม่ได้นะรู้จออักเ่อนสาคัญนะใจเทศที่ไหนฟังตงรงก็เทศนาเป็นอย่างนี้เราคือมุเทศคือพือนอออ้นหลังนะว่าเทศบวชสอนรู้จกักดีรู้จักชั่วเทศเหมือนกันยอมสอนลูกสอนเต่ามันไม่ดีตอ น, น, นสอนมันนี่ย่อมไม่ดีไปสอนมันดี สัมสอนศาสนาเป็นคำสัมสอนแอบสอนให้รัความชั่วสอให้ทำความดีสอนให้คนทุกข์งานย่างนั้นหรอศาสนานี่เพรี่ศาสนาไม่ดีนั่นศาสนาที่ไหนไม่ดีอะไรเป็ศาสนาจะอยู่ที่ไหนศาสนาคืูคว้าอากาศเป็นศาสนา หรือต้นไม้ภูกเขาเราปอเป็นศาสธนาหรือบ้านเมืองถนนทางเป็นศาสธนาเนี่ยหรว่าเมิุกุติสลาลงคำบวชมิหารเป็นศาสธนาศา ส, าสาาานาคำตัณฑ์สอนอะไรเล่าสอนกายสมาจาใจคนเนี่ยสอนกายสมญ า, าใจคนรวมแล้วกักายวจาใจนี้เป็นพระพุทธศาสธนาไม่ใช่ดินเป็นพุทธศาส มันมาจักไตรงนี้ทําีน่าชั่งแปดหมืนสี่พันมาทำมาท่านมาจัดตรงนี้สอนไปเลกายวาจาใจาให้ละ ค, ความชั่วความชั่วอยู่ที่นี่ที่กายที่วาจ า, จาใจั้งคนไม่ใช่สิ่งชั่วสอนละความชั่วสอนละไปเลยกลัวเราทุกข์กลัวเราย่ากลัวลบ า, งลงากลาคา ล, ลกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์เรยย่าเนี่ยคนสอนให้ละความชั่วตนนั้น ไม่ใช่อ่นชั่วว่าอากาศไม่ได้ชั่วอะไรใจคนติ่งทุกข์มันาายากใจคนทมติไม่ดีอารมนชั่วนี่ตรงนั้นสอนกายสนใจคมทำกุณงกุณดีนะม่ใช่อึนดีใช้คว่าอากาศดีก็ไม่เป็นขรรคใจคนนันไม่ดีาาาดดใจคนดีรามจะมีความสุขความเจริญนะมันสอนมีความสุขสอนมีความเจริญ ศาสนาเป็นอย่างนี้คนว่าอจะทําลายศาสนาเฮ้ยทําลายหัวกันเนาะว่าไงเขาว่าคนดาศาสนาทุ่มทุ่มสนามหลวงดาภวันโหบิดาเสดทุ่มสนามหลวงศาสนาทุ่มฉนามหลวงมันจะไม่ดามาหัวมันท่นเองล่ะดาไปดามาเราเป็นที่โชคกินหนัวรู้สร้างบาปสร้างกรรมมาพอด <may> ้ะ <s intervals> <basics> <may> เฮ้ยกำลังเกียดแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเนอะแต่ไหมล่ะเนี่คนรักษากายใจเรียบร้อยอันนั้นกายทำไมวาจาเมื่อกี้เรียบร้อยไม่มีไม่เรียบร้อยพูดอย่างนั้นว่าไงเนีกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยอเราก็ต้องการอย่างนั้นคนเราหายใจเรียบร้อยอ่าน ยิ่งในยังเราใจทุกคนยังนะไม่ดีตัวไหนแล้วแก้ไขมีตัวแก้มลองกลับแก้มันแก้แต่ตนนี้ตายเปนตัวแก้มันทําอะไรไม่ได้เด้ตาโลโตลายแก้อะไรแล้วแน่มันจะแก้แก้เสลิมแก้มันแก้ไม่ได้พี่เออลองนี่มาแก้ไดี๋ยวนี้นตามันโลตัวมันลายแล้วมันแก้ไม่ได้เด้อ นีบแก้แต่ต้นนะยาถึงติดตาโลตัวายไมเ้อถอนคนดอกนี่แกอมันสักมันบยุตแก้แก่เนี่ยรูว่างอ่ะลองไปแก้ลดสิ่งม่ดียังนีต่อไป วาไงล่ะอือิลกผสอนตรงนี้อืออือัก้คนใจงแน่มันขึ้นไม่ดีเพว่าอ่มันไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะเนแต่ไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแน่แต่ดีเป็นสุขไหมล่ะแน่ดูสิหมดตรงนี้ดูอะไรที่อื่นเอ คนเราหาน่นดีนี่นดีหาไม่เจอหรอกใจเราไม่สมบูรณ์เรียนันเรียนไปนอกก็ไม่ได้มูมกันในโกน้องเข้มาเห็นธรร ม, มเรียนธรรมเรียนไหนละ่ะเรียนคายเราเรียนวาจาแตงเราดูกายดูวาจาแตง เ, เราเมื่อปัจจัเป็นสังขารร่างกายเราแล้วเราคนนั้นแหะเห็นธรรม ผู้ใดยังทําู้นนเห็นพระพุทธเจ้า ร, รู้พระพุทธเจ้าเปรู้พระพุทธเจ้าผูนั้นจะเข้าสู่พรรณะผ่านรับทุกข์ธรวัตาสงสารจะว่าเวียนว่าตายเกิด อ, อีกนี่ละพากันได้สรบแล้วในวาสนาคนีเป็นธรรมะคำ ส, สอนนี้เป็นนามาซี่แกงสแสดงให้ฟังแล้วทางไกลทางไกลทางในทงนอก รวบรวมโพค้อใจความแล้วในพุทธศาสนาคือกายกัดใจนี้เป็นที่ตั้มใพุทธศาสนาคือกายกัดใจนี้เป็นที่ตั้มแห่งมรรคผลเมื่อเราท่านทั้งหลายยินได้ฟังแล้วโยนิสูมานิสิกานพากันกำห น, นดเลยแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติทึกหักตนต น, นเป็นไปในธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเมื่อท่านทั้งหลายไม่มีความประมาแล้ว ับประสบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังสแสดงมาเอาวังก็มีด้วยระกาแลเซ น, นี้ากาโรธรรมาวัฒนตีอายุปโนสุขามราดลังรักเกิดหลายเหนื่อยเป็นหน้าเนี่นนยหิ้ยังได้เ น, น, นี่ยเไม่ขอยัง หมดแล้ว <h ats> <h ats> เแลางานวัง <h ats> นิทานสีกรณนั้งไงทำไรมึงมัดคอติ๊ถนวะเนี่กใดีกมัดคอเนี่รวมกัตนนี่สีกรณนั้คนหนึ่งนีลูกราชาไป เห็นลอยอเกนลอยเกนงีลอยรลอยเกนเงี้มันโตยังไงเอมไปังไงโตยังไงจะโตมันเห็นเหนจะลอยมันดักบวงเมอีดักเ่นฝูงดักคือฝ่ายไม้หงัดไม้แนนดักถายไม้วคนหนักบอกก ไี้กเกศมันคือต้นไม้อย่างนี้ไอ้หัวไงข้อสอบฟ้ามีนคือต้นไม้อย่า <c> ง <oughs> นี้เนี่ยลูกเสียนามาดไปนี่ลอยลอีกเกศมาทำอะไรตัวมันดักว่อมเนาะขนุดักไปบินพี่ที่ <c oughs> นักศิลีพ่อเรากูวกราดลูกระชาลสายเรานี่เป็นอนี้น่อบ้าคนนั้นมันจงมายามมันจะมาใสมามากจนเลือดพองราวมาทุกข์ของลู ก, กมกึงแท้เี่านามาแท้เราขูดกรูเป็น ย, ยานนลูกเปเจ้าอยู่หวัวนเลยแก้อาสุบิญก็คุณเป็นซ้อนจนไ ม, ม่คุณอ่า เด็กว่ามันวิชาสาตัดชิ้นได้คือของขายนะคือของขครไอ้ตัดชิ้นก็มาได้เไอ้บอกสีกระ่นใช้มาไปเส้นเมงมไปตัดชิ้นบอกแล้วไอ้บอกบอกแล้วเดินไปตกรอนมาวันไม่มาสักทีเอาไปตามอีก ที่สองดปตามอยู่ทำไมไม่ไปงจุดก็เล่า่ไปก่อนนะก่อนไปแลคอยมาที่ามอีกสามครั้งสี่ครั้งเดียวมัมาสักทีอันนี้เราดักคันพร้อมแล้วน่มันไมเม า, นะเา่า ง, งากเลยหรคือดักคัน เสีย่ยงบอกทำไมไปเราไปไปร้านเดีวยวนีเออัก็ไปแล้วที่ประหารเนี่ยไปแล้วพอไปเถามเนี่นยเออเียงทำไมไม่มาบอกหมาทุกทีมาที่แรกกันนะมาแล้วโ อ, อไฟไม่ ด, ดินทราคุณไฟไม่ ด, ดินทาโอไปขอดินไงเลย กลับไปรถน้ำมนตอยู่วักขุดมาแน่เออกลับไปรถน้ำมนต์อาบน้ำมดตอยู่วักมันคือคอนี้วไฟไม่กิดใส่น้ากลับมาแล้วมาที่2วงเลยนะมารดน้ำมวมดแล้วสินกลับมาอีกว่ า, วาต้นไม้ตายรอดปมเป็นใยสาบมามันเร็พมัดขอว่ า, า, วากลับไปรถน้ำมนตดีสินหรอ กราบไปลดตะมนอีกเออ่อนะยอดตำนกับเนื้อวัดครอแล้วาะว่าที่สามงาอีกมาบัดถึงกางโคนี่ไม่น่าเหมือน็นปลาซิวก็ตดอกมะขามเชา่าเส่าตัต้วตวนว๊อปข้อจะไปวัดกรับไปลดนะมนอีกเด็แน่แจ้งมาบาทนี่อ คนมากเลยที่ฟมันหาปัญญาอย่มีเด้ซึ่งมันกบเป็นอย่างนี้อ้าใครเคยเห็นไฟไม้คีตาร์กที่ไรล่ะแกปีนี้ได้ไฟไหมาคีทไมพวกเราทํางหลายมีแต่ศึกษามีแต่ฟัง เรื่องศานะสนาศึกษาไปไดศึกษาสวยๆและการไปฟังว่าเรารู้เราเข้าใจพุทธศาสนาะแตถามที่แท้แลนะศาสนาอะไรเป็นศาส น, ะนาเน่ยพากันศึกษาศานะนสานาะฟังศาสนาถามหาตัวพุทธศาสนาได้ อ, อยู่ที่ไหนเรา ว่าประเทศเรานับถือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นศาสนาเดี๋ยนี้มันอยู่ที่ไหนเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าวางศาสนาไวา้ตรงไหนเลานี่แต่ในธรรมะคุณท่านบอกว่า เอหิปสิโกเอหิปิโกจงร้องเรียกทรัพย์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมอัา น, นี้ดูธรรมกับธรรมที่ไหนเล่าดูรูปปธรรมอัตภาพร่างกายเรานี้รูปธรรมนามมธรรมคือดวงใจของเรา นี่ท่านบรรยัติท่านศาสนาตรงทีนี้ภาคทั้งสี่ขันทั้งห้าอายตนะทั้นกนี่ท่านวางศาสนาไว้ตรงนี้นะท่านไม่ได้วางที่อื่นเนี่ยพากันน้อมกูปัญญายิูน้อมเข้ามาให้พิจารณาตรงนี้มาเรียนตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ไม่ได้ดูตรงนี้แล้ว เลยพากันหลงหุ่นวายกุมวัน้น่อาพากันยักเสม็ดนักสเสม็ดผลให้ต้องการอหาความสุขหาความสบายให้คําอะไรก็ดีพระเม่น้อมเข้ามาถึงตอนน้อมเข้ามาถึงตอนแล้วพระพุทธเจ้าวางศาสนาในสนุนเหล่านี้ ทานไม่ด้วางอื่นใกลนี่เป็นลักพนะุทธศาสนะท่านวางศีลสมาธิปัญญาไว้กิดดูสิศีลท่านก็ไม่ได้ว่าอื่นเป็นศีลพากันพินจารณาดูเพื่อสงบสังรวมกายนสังรวมวาจาสังรวมใจให้เรียบร้อยเราไม่ทำ โทน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะท่านบอกไว้สาสนาอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราไม่อยู่ที่อื่นเนี่ยท่านสด้สรวมเรื่องเป็นอย่างนี้พากันในพิจารณาศีลคือกายเรานี่เป็นศีลวาจาเรานี่เป็นศีล กายเราเนี่เป็นศีล mm hmm. คือกายเราไม่ขาดทรัพย์รักทรัพย์ประพฤติจกักรรมเจ็ดดวว่าจางเราไม่กล่าวมุสาว่าหลอกลวงสอบกลวงใครไม่กล่าวคําหยาบด้าด่าสาตระทูลมุกมนุษ ย, ย, ย์อื่นโสโซ่แล้วก็บอกเนี่ยายไม่คิดหลอแทนเล่นรักตกของของมุกคนอื่น yeah. ใจไม่คิดนคนคอื่นสิบนหายใจไม่คิดเป็นมิจฉาทิฏฐิต่านานวางไว้ตรงนี้นี่มันวางศาสนาไวา้เป็นขอปฏิบัตินี่สัมมาทิแล้วก็บอกกาททำใจตั้งมั่นให้ใจเราตั้งมั่นใจต้องเคี้ยงตั้งกรง เออมันไม่เอียนเองไปในความรักความชังเป็นผู้ไม่หลงอันนี้ศาสตร์ชนะพลวัลนีน้อันนี้ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารละ่ะอะไรเป็นสังขารกายสังขารจิตตสังขารสังขารคือความปรุงความแดน เนี่ยสังขารทั้งหลายเหล่านี้ระนมามพิจารณาไม่ยมันไม่เที่ยงพิจณาในสังขารทั้งหลายเนี่ยให้รร้เสิยงใดไม่เที่ยงเสียงนั้นหละเป็นพุทธเสิ่งใดเป็นพุกธเสียงนั้นเป็นเซโตตันนี่นพิจารณาสังขารปบปรุงคัแต่งอายแล้วปรุงเป็นบุญครุงเป็นบาป นี่มันเกิดจากไหนล่ะนี่นนนมันวางไว้ในตรงนี้ท่านไม่ได้วางบมสาปธนาอันนี้ในวัดพระปาติโม่อท่านก็บอกกูในบาลีว่าวสพักาพาากาปะสะอากรนังกุสารสุปสัมปดาราติตาประโยชน์กัปัญญังเอตังพุทธสาสนัมแปลใจความว่า ไหละความชั่วทางกายทางวาจาโดวงใจอันบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรานี่อันบอกเนี้สอนไว้วางในตรงนี้ศาสนารูส า, ารสุขสัมปดาอัในใ่เจริญคุมงามความดีที่กายที่วาจาใจขงเรา เดินยังไงคุณเอาความดีจนวะเราให้การรักษาศีลโาวนานี่พากันมาปฏิบัติกันเนีใ้ให้เริญในเกิดใเ้มีขึ้นในตัวของเรานี่มันบอกนี่ยิ่งใดดีดีพากันคำนะในวันนี้ทันบอกว่าในวันนี้เยือกิจมากรตทำ โอ้ยัญามันนังสู้เวคิดอันใดดีลิบทํามสินในวันนี้ทันไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้หรือแตัววันนี้มันมีวันเดียวเทนี้มันไม่มีหลายวันคิดอันใดดีลิบทํามนะ <c oughs> บอกนี้มันนังสู้เวเราไม่รู้จักว่าความตายของเรา จะมาถึงเมื่อไรทันเวลาชาเรารู้ไหมล่ะความ ต, ตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยอมันเป็นเรารู้ไหมเพราะฉะนั้นท่านในคำเช่ในวันนี้เอเห็นในวันนี้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวตัวนี้ล่ะมันไม่มีหลายวันนี่ทันเทศนาไวา้เนี่ข้ากันในพิจนา แหมล้มเห็นต่อไปตาติตะปริโยตปันนังมทำใจฟอมใสทํายังไงใจฟอมใสเฮ้อใจ ป, าาใจ ป, าาปราศจากกิเลส ต, ตัณหาลาคะโลภโภสาโมหวิชาตัณหาประธานภคะใจเราปราศจากตัวนี้มันใจเราก็ใสคือมัน ใส่คือมันไม่นมัวเมามันไม่วุดวายไม่เดอดร้อนเป็นงานเรื่องมนี่เดียดนั่นตากันในฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปพากันนั่งฟังเข้าที่วังเอออ้าเข้าที่ฟังนั่งทำแล้วมึงเห็นยาซักแต่ใจว่าเอาทำจริงจริงจำจ เออมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งสบายสบายยังใดสบายและนั่งให้สบายนี่ละเราไม่เคยนั่งกเราไม่ได้นั่งเออตัง้งตั้ง <lim> er <ina> นี่เลตั้งมันเลยบอกแล้วโอ้บรรเที่โอน้อนก็มาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงหรือไม่จริงฉันอธิบายแล้วเอานั่งให้สบาย วางขาวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายาต่ง้งกายสบายสบายเมือ่อกายสบายแล้วสบายยังกา ย, ยเรานั่งดูถ้ามันขับตรงไหนมันยังไม่สบายเราอยากชุดอยากสบาย นั่งไมส่สบายสบายเมื่อกายสบายแล้ววางดวงใจสบายอ่ามันไม่นี่แหละวางดวงใจสบายแล้วหงนึกถึงที่พึ่งของเราเราอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณประพุติเจ้าคุณกัลกัมคุณกระสงวาวนี่น้อมก็มา เนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจไตรยสงอยู่ในใจใจเราวรู้พุท ธ, ธะคือสวมรู้เมื่อเป็นช น, นีผู้ไมไ่เคยไม่ทันรู้จักนะผู้รู้จักแล้เราเคยทำยังไงกตัต้งส ต, ติลงสีนั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องต้น นึกถึงพุทโธมโสัโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังสามหัวเงาในรวมเราจะพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวในรับตาเง็บตาซะในลในใจ เลี้ยงการนักระตริกให้ลกึกก็สวยๆให้ลึกถึงความรู้ความรูต้ตรงไหนแล้วเออให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วในตั้งสติไว้ในที่รู้อแท่นดูในขี่รู้ ความรมาู้ตรงนั้นแล้วตั้งไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูตรงนั้นที่ความรู้สุดอยู่นั้นหูเราก็ฟังที่รู้อยู่นั้นฟังเพื่อใดเราจยกรู้ว่าตัวเรานี่นะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์รู้จัก มันเรามานี่ต้องการความสุขต้องสบายเพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกวนี้อะไรพายขับคล้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่าไม่รวยบางคนก็อยากคนพ้นทำไมมันไม่พ้น มันคาอะไรมันค้องอะไรเนี่ยเรารู้จักที่ค้องค้องตรงไหนก็เลยจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้แล้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเนี่ยมันไม่ดีเพราะหใดเหตจิตของเรามันไม่สงบ มันทรงั้งหน้าข้างหลังั้งซ้ายั้งขวาั้างบนั้งล่างนะมันทรงไปเรื่อะนั่นมันไม่ได้ตั้งในข้างกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเรานะมันไม่ตั้งนะเมื่อจกิดตัวนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุข มันสมตามรูปตามเตียงตามปืนตามรอบสัมผัสข้างนอกอ่าเรียกว่ากามะลมอ่ากามาลา ม, ม, าลมรู้จักรู ป, ปะลมสลัทธารลมขันธารลมละสาลราลมรสขัารลมธรรมาลมเท่ากันกับลมเราไปหยุดความสำคัญมันหมายนั้น เออมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้อะจะจปเป็นนึกมึกเยิ่งนำนุ่มนาเสียงนเป็นนํารับรัดตเด็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเร า, าได้ยนินได้ฟังแล้วโอปนนัยก่อนน้องเขยกกันนักภายในเด็กน้องก็มาดูตาดูหูดูแต่มือของเรา นูริ้นดูกายดูจยใจของเราเ น, นี่ยตายนี่มันเป็นยังไงเออให้รู้ตามเราเต้หูเป็นยงไงให้รู้เสียงหูรเราเต้จมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราเต้ลิ้น เ, เป็นยังไงใรู้จักรสเลี้ยนของเราเต้กายเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราเต้ ใจงเรามันหลงอะไรน้าหนูจับนี่ล่ะขามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วจุนเท่านี้จุนเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตากดีหูกดีตมูกกดีลิ้นปดีกายกดีเหล่านี้มันเกิดมาจากดมใจคือพือ้นนะาภายใน นี่มันตรวจจากดวงใจนี่อันนี้ใจตรงนี้แลาจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นจัตเป็นคนว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องน้อมมามพิจรรนาตัวตนของเราที่สม า, ามฐานอในสมาฐานเนี่ย ในภากันเพ่งเล่นมือทำมันรู้จักมันลงอะไรเสียงตดีกลินล่น็บสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดตรวจจากรูปนี้อันนี้รูปนี้มันมีอะไรเรามาเพ่งมือที่คันเบากะจะเปลี่ยนโตนี่มีนังห่มอยู่เป็นสี่สุ ร, รานั่งเบากินยาเป็นเด็ก หนังห <im it> no. ุ ant ant um hi, awa, ้มอยู่เป็นที่สุดลอเรนัปปกาลาาอสุจิโนท่านบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอุบุเมสเมิงกายเยในกายนี้นี่ทั้งว่เป็นไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ท่านบอกนั้นบริบูรกายโนกายนี้ก็แปลว่า เพื่อกายตนของเราทุกคนในกายนี้ทันเบลกายโนดเพื่อกายนี้เพื่อกายของเรานี่แหละเต็ไไมไปยังไงพรหม esa ในกายนี้คือษาร์คือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมหม่ esa แล้วไม่ซาดดูที่มันเป็นคนหรือมันไม่เป็นคนตาดูที่ผนของเรา มันลุกมันลุกงมามันเป็นยังไงถูกเข้าถูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยนานโดยเราจะสำลักสาสามสักปีหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งน่ะเป็นไงผมของเรานานกลนมันจะดีสีมันก็ดีเป็นยังไงมันสะอาดไหย ทำไมเร า, าจะมาไปหลงงาถ้าเราพิจารมาแล้วสม่นันนี้มันไม่สะอาดพิจามมาดูสิเ น, น, นื้อโลมาคือขนตามสระรางร่างกายเงามันสะอาดจังนลนักขาคือเล็บเล็บ ก, ก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะ ได้แก้ได้ชำระอยู่ไม่ใช่หรือหรือถอนมาเรเป็นไงแล็บคันแล็บเหล่านี่ดุจนานี่เลยเป็นไปอย่างนี้ทั้งตาฟันมาดูที่ฟันของเรามันเป็นยังไงได้ถอได้ชำระทุกวันไม่ใช่หรอถ้าไม่ถูไม่สำระเนี่เป็นยังไง ดูถรนมาดูนั่นมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรอะจิงไหมอ่ะมันซาหรือไม่ซาให้ดูให้จงรูน้นั้นที่จีโตเราจงรูง้อเองเห็นเองนี่เพ่นทิจเต็ร น, นายนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายกันเดือนเป็นอะไรอ่า มันเป็นสุดหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นยังไงนะตากโจคือหนังมันคลุอยู่ที่ในตัวเรานี่หนังนี่มันเป็นไงอามีสื้ออาบน้าดัะจักเดิมนึงมันเป็นยังไงนะเดีวเอาน้ำออกแล้วเป็นไงล่ะตวเรานัเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาด หรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทําไมเราจึงพากันหลมเข้าใจเราเป็นคนเข้าใจไม่สะอาดคําสั่งสอนก็ไม่สะอาดแล้วไม่สะอาดไม่ใช่หรือหรือสะอาดเอานังคนดูที่หนังคนก็ตามนังคนเองก็ตามสะอาดยังไงล่ะอ่า มันเป็นไปด้วยของเสโครกเขาจะกลอกไม่จะรันี่เพ่งเห็นอย่างนี้นั้นจิตจะละจะกายคิดทีได้มันยังละว่ามันันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยมันก็ไ ม, ม่หลงเลยเท็กเออเนี่ยเห็นคำปฏิบัติธรรมนี่รู้อย่างนี้อ่อหนังออกมาละเป็นไงตัวคน ออเมื่อะหนังทำไมมีอะไรสักอย่างแพงแรงเด้อตินันเป็นคนละเปยังไงน่าดูไหอมีแต่เนื้อมันไม่เสร้ามีแต่เลบอมีแต่น้ำเหลืองมันไม่เสร้าสะอาดไหมล่ะน่าดูเต้นเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อมาดูออเด็ดเนื้อ เอาเหลือไปล้างตะดูงเป็นไงอาารต้มพิจนามันรู้เพื่อไม่ให้หลงนี่แหละเป็นข้อสาคัญการได้พฤตและการปฏิบัติจึงไม่เคยพู้เห็นอย่างนี้จงไม่เหคยทำมันจ้งไม่ถือสุธิมาณอาหารกางมามังไม่ถือเตนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจุบมันก็วางได้ ต่ถืกถกอก็เพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอา่ามันหลวมแตาล่ลางกระดูกระดูกระไรไงมันเป็นสุดมันเป็นทุกข์มันหนืแล้วมันชั่วกระดูกระดูกระดูขากระดูแขนกระดูศีรษะกระดูส้นหลังเอะกระดูศีรษะดูได้เป็นไงอ่า นี่จาแนกแปกเลยแท้ถามันโลมันเห็นแท้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของขึ้นธรรมะไม่ใส่ลักละเป็นของเอาเราน่ะมาหลงอันนี้เท่เดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งแหกแหวนเพิ่งแโลมการปฏิบัติอืมทำสอนพรยเจ้ารู้จักต้องจากทุกการปฏิบัติเพิ่งรู้เพิ่งเห็นอันนี้เท่ไม่ต้องเห็นอันเดิน นี่ไม่หลงมันนี้นะเาเห็นอันนี้ทองนะเอาออกเท่เอาตักเอาไตเอาใส่น้อยใส่ใหญ่เอามาดูหานเก่าหันเอาม่เอามาดูเป็นไงน่าดูไหมอ้าวตัวนาดูดิเราใส่นี่แหละเราเป็นคนนะเนี่ยมันเป็นยังง เมื่อเราเห็นไปแล้งนั้นจิตของเราตอนนี้ทุธาความเบื่อหน่ายคลายจากแรรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสท่าทายต่งตางๆอ่ามันก็ไม่มีที่ได้ซึ่งอธิบายมันนี้เป็นแต่ของที่หมักเอ้าแล้วใครจะใส่คนอ่าตักคนเฮ้สาวไหมล่ะแล้วใครจะเอาออกมาดูที่ เห็นบังนด้นสิ่งนี้คืออะไรขอบีสุกเป็นทุกไหมไส้เขาเป็นทุกไหมหันเ่อหันไหมก็ไมุ่กไหมลอวเป็นยังไงอะไรุกตรงนี้นี่ละไม่เจอนาโมม่รู้จักหมูใจตัวมันจะรักษาได้ เมื่อแต่แน่แตกตอนนี้แล้วมันยังไม่หลงเออมันยังจิดของเราเมื่อไปสงบได้มันจะละสกายทิพย์ได้วิธีภาษาสงสัยไปไหนเอื่นมันไม่เป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นตอนที่เจอตาคนอยู่อย่างนี้มีหุนทางคือจะเข้าสุนักผล ผลทางนี้ดังคนก็ทํายังไงไ ม, ไม่เกิดอาจะไม่โกรธบางคนทํายังไงจะพ้นจะทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วกับคนเองอาถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พน้นในพ้เพิดใดมันมาลงอันนี้ถือเป็นเตัเป็นตนถือเป็นศัตว์เป็นมุขคนรือเป็นเราเป็นเขา นี่ของเรานะท่านไม่ไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วติบายานี่มันเห็นไปอนยังงนะ น, น า, นานโมติบายแล้วเรามาอาศัยนาะอาศัยโมนี่ น, น่าเพื่อนใดติ๊กตังน้ำดีน้ำดีเป็นควันไหมหรือเป็นอะไรน้ำดี เสียมหางน้เสเลจแล้วน่าลุกโพน้ําเหลืองแล้วโลหิตังน้ําเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นหลักน้าเราก็ไม่เห็นอยู่เลยแล้วเลยเลือดคนน่าดีไหมชอบไหมอ่าไหลออกมาไม่ถูกหรืออะไรถูกเนี้ยตัวเงาเนี่ยน้าเป็นไงเป็นคนแล้วเป็นไง มันสาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันก็เรามาใสนี่เราเป็นคนเนีเื้อโพน้ำเหวล่ะอสู้น้ำตาล่ะวาสารน้ำเหลือล่ะเชื้โรน้ำลายสินค้านิกานามูคขีตมูกมันดีอยังไงน้ำลายล่ะอ่า นาศิกาน้ำไขรข้อละ่ะมดตังน้ำมดคือน้ำเยี่ยวเป็นไง ไ, รไขรเก็บไว้หรือเปอ็นไงเป็นของส์เป็นคนน้นมันเป็นอะไรนะเราเรามาหลงอันนี้เหนั้นในภากัรพิจรารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็ว่ามสุดโต๊ะใยของเราก็เบิกบานใจของเราก็สวาม ชุนันนี่เขาไม่ได้เป็นอะไรเขเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นอมีแต่จิ๊บเราลองเห็นเป็นนะมันก็สงบที่มันไม่มีที่ได้อมันไม่มีที่เอาก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอมันเป็นไปอย่างนั้นแหนวแบบอย่างนั้นเละสักพักพระธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้น นี่คนเรารหลงด้วยอนนี้คือทุกข์่านี้นี่ไม่เกิดไม่แก่ใม่เจ็บไม่ตายว่าไงเล่าเราก็ตัวตัวฟกอาทุกข์ตัวฟันตัวตัวฟันแกตัวฟันเจ็บฟานตายไม่ใช่หรอนานเหมือนเราอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมัน เกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลิเป็นันตอไม่พิจารณาอื่นันตนานพิจารณากายพิจารณาจิตของเราคนนี้ดูกายดูจิตของเราคนนี้รู้เพื่อใดเพื่อให้รู้กายนีย่ให้รู้จิตนี้ เราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายเรากายคนอื่นก็ไม่รู้มันหลงมันไม่รู้จักจิตของเราจิตคนอื่นก็ไม่รู้หลงเงี้ยเจ็บดูครับทำมันรู้วันนี้ล่ะไปวันนี้เขาจะทำการทางานรายหนึ่งบาท มีวัตถุมากเลยก็ตามทุนห้าร้อยบาที่วันงานเนี่ยเขาจุเข า, ขาไปทิ้งประโยชน์ไร้าเเ น, นี้ยมันไม่เป็นแกงเป็นสารและไม่มีสลักและมันไม่สะอาด เต็มไปด้วยความไม่สะอาดเมื่อเราที่เจ็นณาเห็นแล้วในสิ่นแบบนี้เต็มไปด้วยความสะอาดแล้วนั้นทำไมหลงนี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสะอาดสะโพกเลยอยากได้น่าใครชอบใจะ เหรนฟังสุดชุดช่วแล้วนันทำไมยากหนากนะมูเซียบุกมาเหมือนกับสินของมาจากเห็นสญปกควันทางสบายอย่างเนี้ยเราชอบก็อดูดูแลเห็นมุดมันขาดไปอย่างนึงได้แล้ว อ้าคุณนั้นเราทำไม่มันชันลุกเนี้อกายเราเห็นคามชันลุกชุดโทมนั้นมันทำไม่ตรงตากเพื่ออะไรก็สีชุดโทมเพื่ออะไรก็ไม่ดีเป็นงานที่เกินมางานเราเนี่ยมีมมจิตแหนกายในแล้ว เป็นงั้นแล้วมันก็ไม่มนะจะเยอทยนะานดิ่มรอนเห็นจิตสองกามจะไปประสิมสันธ์ในพกใดขาดใดมั่จะรู้รู้เพาดานนี่จะได้สอนนะคะการนั่งสมาธิเข้านะที่พิมันาโ้ ตอนนี้ไปเข้าที่แคนทิเจนาเกิดหลาเขาที่ดูดูจิบน่ยดูปลายของเร า, เานั่เขาที่ามาดูดรูด้ไง เราทั้งหลายต้องการความชุบความสบายต้องการความขนทุกข์ทนไทยต้องการความช่วยชาละมอกต้องการความทุบความจอมเนี่เราให้นั่ดูเมื่อคายแล้วสบายแล้วนั่งให้สบายวางสบายแล้ววางลงใจสบายดูดวงใจเรา เราดูต่งไหนมืจักที่ดูมื่อจักโยจึงให้ึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมโะสด์เชื่อว่าอยู่ในใจเม่เห็นอยู่ในใจแล้วจะนึกลึกทำบริกรรมภาวนาว่าเบื้องต้นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามาแล การรวมกันเป็น